ที่ประเทศอเมริกามีชายไร้บ้านคนหนึ่งนะอายุก็ประมาณ 40-50 แล้วตาบอดวันหนึ่งก็มานั่งขอทานอยู่ตรงริมทางในสวนสาธารณะข้างหน้าก็มีกระป๋องนะสำหรับบริจาคเงินข้างๆก็มีป้ายทำด้วยกระดาษแข็ง เขียนว่าผมตาบอดช่วยผมด้วยสวนสาธารณะนั้นก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะนะแล้วก็มีไม่กี่คนนะที่หยอดเงินหรือว่าบริจาคเงินให้กับชายตาบอดคนนั้นนะ่ก็าบังเอิญมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมา เห็นชายตาบอดคนนั้นก็เลยควักเงินนะก็ใส่ในกระป๋องแต่สภาพแ้วก็สังเกตนะข้อความในป้ายที่ชายคนนั้นเขียนเธอก็ยืนคิดอยู่สักพัก แล้วก็หยิบปลายขึ้นนั้นขึ้นมากลับด้านแล้วก็เขียนใหม่เสร็จแล้วก็วางด้านที่เธอเขียนใหม่เนี่ยลงที่เดิมแล้วเธอก็เดินจากไปไม่นานนะก็ปรากฏว่ามีคนเนี่ยหลายคนเนี่ย บริจาคเงินให้กับชายตาบอดคนนั้นเนี่ยเยอะผิดปกติเลยก่อนหน้านั้นนี่ไม่เคยมีคนบริจาคเงินเท่าไหร่ชายตาบอดรู้เพราะว่ามันมีเสียงดังนะเหรียญเนี่ยเหรียญที่ย่อลงไปในกระป๋องเนี่ยมันก็ส่งเสียง ให้ชายตาบอดรู้ว่าหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขียนข้อความอะไรบางอย่างในป้ายของเขาแล้วเนี่ยนะถ้าคนบริจาคเงินมากขึ้นตอนบายๆเนี่ยหญิงสาวคนนั้นก็เดินกลับมา มาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมัง่งชายตาบอวคนนั้นเนี่ยจำเสียงผีเท้าของหญิงสาวคนนั้นได้ก็เลยพูกมาว่าเนี่ยคุณใช่ไหมที่เขียนข้อความนะเปลี่ยนใหม่นะ ทีป้ายของผมหญิงสาว ก, ก็ตอบว่าใช่นะแต่ว่าที่เขียนน่เนีก็เนื้อความก็เหมือนเดิมแหละเพียงแต่เขียนใหม่นะชายตาบาก็ถามว่าเขียนว่าอะไรหญิงสาว ก, ก็บอกว่าฉันก็เขียนว่าเนี่ยวันนี้เป็นวันที่สดใส แต่ผมมองไม่เห็นเลยข้อความก็คล้ายกับคล้ายๆข้อความเดิมนะที่ว่าเนี่ยผมตาบอดช่วยผมด้วยแต่ที่จริงเนี่ยความหมายหรือการแสดงถึงความรู้สึกเนี่ยมันต่างกันเลยข้อความหมายที่หญิงสาวคนนั้นเขียนเนี่ยนะ มันสามารถที่จะเชิญชวนให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยควักเงินบริจาคให้ชายตาบอดเป็นเพราะอะไรนะก็เป็นเพราะว่าประการแรกเนี่ยมันมีเนื้อหาสะดุดใจสะดุดใจกว่าข้อความเดิมนะข้อความเดิมเนี่ยผมตาบอด ช่วยผมด้วยอันนี้คนที่เห็นเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกสะดุดใจเพราะว่าเห็นมาเยอะแล้วคนที่บอกว่าผมพิการช่วยผมด้วยผมตกรถช่วยผมด้วยในแบบนี้นี่เห็นมาเยอะแล้วไม่สะดุดใจแต่ข้อความว่าเนี่ยวันนี้อากาศสดใสนะวันนี้เป็นวันที่สดใสนะ แต่ผมมองไม่เห็นมันเนี่ยอันนี้มันสะดุดใจแลวมันก็เป็นการเตือนใจให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้รู้ว่าพวกเขาโชคดีนะพวกเขาโชคดีที่สามารถที่จะรับรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่สดใสอากาศดีคนบางคนเนี่ยไม่รู้นะว่าตัวเองโชคดีแต่ว่าข้อความนี่มันเตือนให้เขารู้ว่าเนี่ย พวกเธอนี่โชคดีนะที่ยังมีตามองเห็นแล้วก็รับรู้ว่าชาววันนี้เป็นวันที่สดใสนะขณะที่คนที่ผ่านไปผ่านมาได้เห็นข้อความนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองโชคดีก็ mm hmm. ก็พอได้รับรู้ต่อไปว่าเนี่ยชายคนนี้เนี่ยชายตาบอดคนนี้แกโชคร้ายแกลําบากกว่าเราเยอะเลย แม้กระทั่งวันที่ดีๆวันที่สดใสเขาก็ไม่สามารถจะรับรู้ได้มันทำให้เกิดความเห็นใจนะทำให้เกิดความเห็นใจว่าเนี่โอ้เขาโชคร้ายกว่าเราเยอะเลยไอเรานี่โชคดีนั่นที่เรามีตามองเห็นไอความรู้สึกว่าเราโชคดีและคนอื่นเขาโชคร้ายหรือเขามีความทุกข์กับเราเนี่ยมันทำให้เราเกิดความเห็นใจนะ เกวดความสงสารทำให้เกิดจิตเมตตาอยากจะช่วยอาจจะไม่สามารถช่วยเขามองเห็นได้แต่ก็ช่วยทำให้เขาเนี่ยลำบากน้อยลงมันก็เลยสร้างแรงบันดาลใจแรงจูงใจให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยอยากจะช่วยชายตาบอกคนนี้ด้วยการบริจาคเงินอาจจะเป็นเพราะว่า สงสารเห็นใจหรืออะไรเป็นเพราะว่าขอบคุณก็ได้นะขอบคุณที่คุณมาช่วยเตือนให้เรารู้ว่าให้เรานี่โชคดีที่ยังมีตามองเห็นสิ่งสวยงามเห็นท้องฟ้าเห็นเมฆนะเห็นดอกไม้รับรู้ถึงความสดชื่นอันนี้ก็เป็น เรียกว่าอิทธิพลนะของข้อความเนี่ยข้อความบางอย่างเราดูแล้วเราอ่านแล้วเราก็เฉยๆแต่ข้อความบางอย่างนี่เราอ่านแล้วเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยอยากจะทำความดีอยาช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยนะโชคดีกว่าคนอื่น บางทีคนเราต้องการการเตือนใจแบบนี้นะบางทีเราโชคดีเรามีความสุขแต่เราไม่เห็นบางทีก็ต้องอาศัยคนตาบอดนี่แหละนะหรือคนที่พิการคนที่เจ็บป่วยคนที่ทุกข์ยากเนี่ยมาช่วยเตือนสติเราให้เรารู้ว่าเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราถือว่าโชคดีตราบใดที่เรากินอิ่มนอนอุน่นเรายังมี ตามองเห็นยังมีอวัยะครบสาสิบสองยังเดินเหยืไปไหนมาไหนได้อันนี้แหละคือความสุขอันนี้คือโชคนะแล้วงั้นถ้าคนเราไม่ตระหนักนะเราก็ไม่รู้สึกว่าเรามีสิ่งดีๆอยู่แล้วในตัวแล้วขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความเห็น อ, อกเห็นใจกับคนอื่นน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อ้ดก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราโชคดีเรานะ มีสิ่งดีๆในตัวเราแล้วเนี่ยกุศลธรรมเนี่ยในใจก็เกิดขึ้นในง่ายก็ทำให้เราเกิดความเมตตาความห่วงใยความเห็นใจคนที่เดือดร้อนก่าเราก็าจะไม่นิ่งดูไดน้นะก็อยากจะช่วยเขาเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ทุกกว่าเราเยอะหรือว่ายิ่งนะคือขอบคุณเขานะที่มาเตือนให้เรารู้ว่าเรายังมีสิ่งดีๆในตัวมากมายที่ไม่ควรมองข้าม